อุทิศส่วนกุศลอิมินาปุญญกรรมเมนะด้วยเดชบุญแห่งข้าพระเจ้าได้สร้างและสวดยอดพระกันไตรปิฎกนี้ขอให้ค้ำชูอุดหนุนคุณบิดามารดาและทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินผู้มีพระคุณญาติกาครูอุปัชาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรพระมหากษัตริยและมิตรรักสนิทเพื่อนสรพสัตยน้อยใหญ่เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพสพพระภูมิเจ้าที่พญายมราชนายนิรยบาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสีสิริพุทธอามาชั้นจาตุมหาราชิกาเบื้องบนสูงสุดจนถึงพักวัคคพรมและเบื้องล่างต่ำสุดตั้งแต่โล ก, กันตมหานรกและอเวจีขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์สุดขอบจักรวาล อ น, นันตจักรวาลคุณพระศรีรัตนไตรยและเทพพาดาทั้งหลายตลอดทั้งอินพรมยมยักษ์คนทันนาคาพระเพลิงพระพายพระพิรุณท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้ได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตตการเบื้องหน้านโน้นเทินพุทธังอนันตังธรรมังจักกวาลังสังฆังนิพพานะปัจจโยโหนตุ